7, ต้องทำให้กิเลส ข, ขาดทุนจนเหี่ยวแห้งตายไปวงเล็บเปิด9มีนาคม2551ในวงเล็บสองจุดจุดนาที48่วงเล็บปิดกระแสของกิเลสกระแสของโลกทุกวันนี้รุนแรงเหลือเกินมันกำลังลากคนลงนรกตลอดเวลาก็เลยต้องพยายามพาพวกเราดูสภาวะนะถ้าเราดูสภาวะเป็นวันหนึ่งเราก็เอาตัวรอดปิดอบายได้ได้โสดา ก, ก็ปิดอบายได้แหละ ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะแต่ต้องดูสภาวะให้เป็นถ้าดูสภาวะไม่เป็นเป็นพระโสดาบันไม่ได้อย่างไปนั่งภาวนาแล้วก็เพ่งเอาเพ่งเอาทุกสิ่งทุกอย่างนิ่งไปหมดเลยนะไม่เห็นสภาวะที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงกี่ปีกี่ชาติก็ไม่ได้โสดาปิดอบายไม่ได้ยิ่งภาวนายิ่งเกิดความลำพองว่ากูเก่งกว่าคนอื่นกูแน่นะกูชั้นหนึ่งแล้วคนอื่นกิเลสหนาะกูกิเลสบางนะกูตัวบเบลอซ่อนอยู่นี่ไม่เห็น ฉะนั้นเราหัดรู้ภาวนานะขุดคุ้ยลงมาในจิตในใจเรานี่แหละรู้ทันลงไปเรื่อยๆความปรุงแต่งใดๆเกิดขึ้นรู้ทันมันจะขาดไปเดี๋ยวมันก็ปรุงอีกเพราะอนุสัยมันยังมีอาสวะกิเลสยังอยู่มันก็ปรุงขึ้นมาอีกพอปรุงอีกเราก็รู้อีกก็ขาดอีกมันคล้ายๆกิเลสมันลงทุนแล้วมันขาดทุนตลอดเวลาในขณะที่จิตใจของคนทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ลงทุนของกิเลสแล้วกาไรงาม กิเลสผุดขึ้นมานิดหนึ่งนะเราสนองกิเลสไปตั้งเยอะแน่เพราะว่ารู้ไม่ทันกิเลสเลยคลองโลกไปส่วนพวกเราผู้ปฏิบัติผู้หวังความพ้นทุกข์จริงๆนะพอกิเลสไหวตัวขึ้นมาเรามีสติรู้ทันนี่กิเลสลงทุนมาแล้วกิเลสขาดทุนหากินไม่ได้เพราะเรารู้ทันเสีก่อนกิเลสเหมือนต้นหญ้าสมมุติอย่างนี้พอกิเลสโผล่ขึ้นมานะเราก็ตัดต้นหญ้าไปเดี๋ยวมันก็งอกใหม่เราก็ตัดอีกมันงอกเมื่อไรก็ตัดไปเมื่อ น, นั้นแหละ จนหมดเชื้อของมันหมดอาหารหมดเรี่ยวหมดแรงไปเองนะฉะนั้นต้องอดทนนะคอยรู้ลงไปซ้ำแล้วซ้าอีกกิเลสก็จะค่อยๆ อ, อ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆ อ, อนุสัยนั่นแหละอ่อนกำลังถ้ากิเลสปรุงเป็นกิเลสหยาบๆขึ้นมาไม่ได้หากินไม่ได้อนุสัยจะค่อยอ่อนกำลังลงนะกิเลสตระกูลรากหญ้าจะค่อยๆ อ, อ, อ่อนกำลังถึงวันหนึ่งมันก็เหี่ยวแห้งตายไปจากจิตใจของเรา เราก็จะไม่ต้องไปรักษาจิตใจอีกแล้วว่ากิเลสจะโผล่ขึ้นมาอีกกิเลสจะโผล่ขึ้นมาไม่ได้อีกแล้วมันไม่มีเชื้อเหลือเชื้อของกิเลสคืออวิชชานั่นเองคือความไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงว่ากายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไร